ไปถึงที่บอกว่าภาวนาทำที่เกิดในภาวนาเนะี่ยไม่ร่วงกันอะรกันแล้วก็มีกินซีทั้งหลายมีกิจอย่างเดียวกันก็คือศรัทธาเวียสติสมาธิและปัญญามีกิจในการที่จะอย่างเช่นว่าออกจากกรารมฉันท่พยาบาททีนะ้มีท่อุทธจารภูเกจาวิจิจิชามีกิจเหมือนกันเลยนะี่นะมีกิจอย่างเนี้ยในส่วนจริงก็คือมีกิจในการละกิเลสเวลาก็ไปไประชุมกันแล้วเขาทำกิจ ด, ด้วยกันเลยพร้อมกันเนะี่ยเป็นเป็นสมังคทีก็ ไปชมบ้องกันในการที่ทํากิจพร้อมกันเป็นเครื่องนําไปซึ่งความเพียรนั้นซึ่งควรแก่ธรรม ท, ที่ทั้งหลายที่ไม่ร่วมกันและกันอินทรีย์จึงมีจิตเป็นอันเดียวกันภาวนาด้วยความว่าเป็นธรรมที่พิเศษเป็นธรรมที่เสีบอาเสวนานะเพศูบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาทุกขเวทนาก็เนี่ยวิธีคิดตรงนี้ในหน้าที่สามสิบสองเอาทุกขเวทนาไปพิจารณาโดยโนปัสนาเจตอ่าเรากลับไปย้อนดูที่ พิจารณาเห็นทุกเวทนาด้วยความไม่เที่ยงไม่ใช่พิจารณาเห็นด้วยความเป็นของเที่ยงพิจารณาทุกเวทนาด้วยความเป็นทุกข์ไม่ใช่พิจารณาเห็นด้วยความเป็นสุขพิจารณาทุกเวทนาด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่พิจารณาเห็นด้วยความเป็นอัตตาพิจารณาด้วยความเบื่อหน่ายทุกเวทนาอย่าไปยินดีทุกเวทนาเอามีคนยินดีทุกเวทนาไหมเอายินดียังไงยินดีทุกเวทนาก็คือก็ยินดีสุขเวทนานั่ยแหละเราชื่อว่ายินดีทุกเวทนา สุขเวทนากับทุกขเวทนานั้นไม่ต่างมันแค่คนละมุมไงนั่นเองใช่ไหมสุขเวทนาเนี่ยเป็นสุขเพราะตั้งอยู่เป็นทุกข์เพราะเปลี่ยนทุกเวทนาเป็นทุกข์เพราะตั้งอยู่เป็นสุขเพราะเปลี่ยนใช่ไหมอุเบกขาเวทนาเป็นทุกข์เพราะไม่รู้ใช่ไหมใช่นั่เป็นทุกข์เพราะไม่รู้ าให้เบื่อหน่ายไม่ใช่ไปยินดีให้พิจรารณาด้วยความคลายกำหนัดไม่ใช่ไปกำหนัดทุกเวทนาให้พิจรารณาเพื่อจะดับทุกขเวทนาไม่ใช่ไปสร้างทุกขเวทนาให้เกิดอยู่ร่ำไปอย่างยงมมงคลเนี่ยปฏิข้อปฏิบัติทุกวันนี้ปฏิบัติเพื่อจะทํำให้ทุกขเวทนาเกิดหรือเพื่อจะดับทุกขเวทนายัางมีสาวรมั้งใช่ไหมแล้วดับได้จริงไหม ถ, ถ้าคิดแค่นี้ ด, นจจดับทุกขเวทนาได้จริงเลยดับทุกขเวทนาจริงๆต้องดับแบบถอนเนะย ถอนแบบไม่มีเวทนาเกิดอีกเลยในสังสารวัตรครั้งหน้านับตั้งแต่พบนี้ดับก็คือดับเลยไม่มีการปฏิสนธิในพบนไหนเลยนี่ก็เรียกถ่ายถอนเวทนาได้จริงๆอ่ะถอนเวทนาออกจากสังสารวัตเลยจบกิจเลยว่างั้นเวทนาไม่กำเริบอันนี้เวทนาทางตา ก, ก็กำเริบทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจกำเริบเนะี่ยเหมือนโรคมะเร็งเลยยังคุมไม่อยู่ ตอนนี้รักษาเชื้อมะเร็งไม่ได้ตอนนี้เราดับเวทนาไม่ได้เพราะปัจจัยที่จะทําให้เกิดเวทนาอยู่อีกเยอะเอานี้เวทนาในอบายภูมิยมมงคลดับได้ชาววอนหรยังมีโอกาสจะไปได้เวทนาในเวในวยภูมิไหมเอาเลยสิเนี่ย น, นี่ไงเวทนาเนี่ยเราดับไม่ได้เราถอนไม่ได้เราเนี่ยมีโอกาสจะได้เวทนาเป็นสัตว์นรกจะมีโอกาสได้เวทนาเป็นสัตว์เดรัจฉาน จะมีโอกาสได้เวทนาแบบเปรตจะมีโอกาสได้เวทนาแบบสัตว์อสุรกายจะได้แบบเวทนาแบบพวกบาป บ, าบอ่อดหลวงเป็นมนุษย์เนี่ยนะหรือว่ามนุษย์ที่ประพิคนพิการทั้งหลายโลกเลือนโลกเกาโลกอะไรอีกเยอะเวทนาเหล่านี้เรายังไม่สามารถสงบและเย็นได้เลยเพราะยังไม่ทําอริยมรรคให้เกิดขึ้นในกระแสขันเลยอนะนี่นิกิตเหล่านี้เรายังไม่ได้ทํา กิจเหล่านี้ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ชําระยังไม่ได้สาดสางยังไม่ได้ทําให้แจ้งอะไรยังไม่ได้ไปชมอรรยมร์สักมร์เลยตอนเนี้ยนะได้อยู่อย่างเดียวได้มิจฉามร์ใช่ไหมมิจฉาทิฐิได้มิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตามิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติแล้วก็มิจฉาสมาธิโอ้โหนี่เกิดแทบทุกวันแต่สำอารยมร์นี่ไม่ยังประชุมไม่ได้ใช่ไหม ยังปรชุมไม่ได้เนี่ยจิตของการดับเวทนาเรายังดับไม่ได้เวทนาก็กําเริบอยู่เรื่อยไฉะนั้นเอาเวทนาเหล่านี้มาวิจัยจะได้เบื่อหน่ายแล้วก็เอาสุขทุกขกรรมสุข เ, เวทนามาวิจัยด้วยนุปัสนาเจ็บพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่พิจารณาเห็นในความเป็นของช่วเที่ยงพิจารณาเห็นโดความเป็นทุกข์ไม่ใช่พิจารณาเห็นในความเป็นสุขพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา ไม่ใช่พิจารณาเห็นในความเป็นอัตตาให้เบื่อหน่ายนะไม่จะไปยินดีให้คลายกำหนัดไม่ใช่ไปกำหนัดแล้วก็ให้ดับเสดับบุเบขาเวทนาเสียอย่าไปทําให้เกิดขึ้นให้สละคืนเนสะีสละคืนเวทนาปะแล้วอย่าไปน้อมกลับมาใหม่นะไม่ไปถือมัน่นหนึ่งทีเราไปถือสละเราสละเวทนานี้แล้วเราก็จะไปเอาเวทนาใหม่อันนี้ก็เรียกไม่สละจริงนะ เอาบริจาคเนี่ยบริจาคแบบนี้หวังอ่ะบริจาคให้ให้น้อยเดี๋ยวเราก็ได้เยอะงเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกสลาจริงไหมไม่จริงสละกจริงๆมันต้องตัดให้จริงๆเลยใช่ไหมเด็กดวงใจยื่นให้ไอ่ะไหวไหมนะ <laughs> อย่าทำอย่างพระโพธิสัตว์นยทำไมท่านเด็กดวงใจยื่นให้ลูกให้จริงไม่ได้ให้แบบมีเงื่อนไขนะตัดให้เลยพระโพธิสัตว์บางภพ บ, บางชาติมีสละลูกเนี่ย เขารับลูกไปแล้วก็หักคอลูกกินต่อหน้าเลือดพุ่งติดหน้าเลยเนะียเราให้แล้วเราเขาเขาเอาลูกไปเบล่าเขตีลูกตูมสดลงตรงนั้นเลยใช่ไหมซุดไหมซุดลงตรงนั้นเลยไม่ต้องอะไรลอกไม่ต้องมีถึงขนาดลูกเราเอ า, าอาหารไปถวายพระเนี่ยพอถวายปั๊บท่านก็คว่ำต่อหน้าเลยก็จะทนะําไงก็เราให้เขาและท่านแล้วใช่ไหมถ้าท่านคว่ำโทมต่อหน้า ก็จะวางเลถ้ามาเื่อตอนนั้นจะไปบินระบาดยอมก็ก็ถวายบินโตเขายอมแก่แล้วนี่มาฝนมันก็ตกมาก็จะลมท่าอุ้ยระวังนะท่านอย่ากอกหมดอมาบอกยอมที่ถวายพระแล้วไมีเลือดเอาถวายแล้วอ๋อแล้วนี่ถวายจริงก็บ่าจริงจริงมาโยนทิ้งเดี๋ยวนี้นะอุ้ยไม่ได้ทำกันได้ไงท่าน ถามโยมถวายมาจริงวะจริงแล้วของเป็นของเป็นของอาจมาใช่ไหมใช่งั้นมาโยนทิ้งอย่างนี้นอะวิ่งไม่ได้แล้วท่านเสียงก็โยมอยู่นะเพื่ออยากถามโยมว่าถวายจริงหร well. ือเปล่าย้าตั้งหลายครั้งย้ำว่จริงงั้นจริงอันมาทิ้งอย่างนี้นอไม่เอาโอ้ยเสดท่นตวายท่านอาจารเดี๋ยวนี้พระเป็นโลกเป็นเยเนี่ยเนี่ยคนเราไม่สลัดจที่จริงให้ท่านแล้วใช่ไหม ใจเนี่ยต้องตัดแล้วน้อมให้แล้วสละแล้วตัดอะไรแล้วหมดความเยื่อใยในของนั้นแล้วเป็นอโลพาทานแล้วพือคือชาวพูดเราเนี่ยไม่ถูกสอนให้ตรงตรงสอนดักเกง อ, อกเกงใจกันไหมครับเจงใจว่ายอมกลัวจไม่ยอมโงไม่ไหวเลยวะ ท, ท่านสอนแรงเกินไปจริงจริงแล้ว ถ, ถูกไหมวันนี้ ก็สมัยก่อนเวลาเขาสร้างกุฏิถวายพระไอ้โจนก็ไปเผาเพระเผาเสร็จแล้วเขาก็ไปบอกใช่ไหมก็บอกเจ้าของเนี่ยพอบอกปั๊บแกชื่นใจหูดีใจเกินแกได้ทําบุญอีกครั้งใช่ไหมพรแกหามกันทำบุญแกได้ไปสร้างอีกครั้งอย่างเงี้ยไออย่างเราจะไปทําบุญเสร็จเสร็จปุ๊บแล้วมีใครเผากุฏิทำไงตอนเราจับถามยังไม่ไหมอย่างเง มันมันคิดกันเนี่ยนะวิธีคิดเนี่ยก็อย่างที่ว่าคติการาที่พระพุทธเจ้าไม่มีกุดีไม่มีพระคาร์เนไอ้กุฏิไม่มีลังคาก็ให้พราไปเลือกลังคาบ้านของคติการามงมุงลังคาพระพเจ้าคติการากลับมาว่าปีติเกิดเดืนเดือนชืนใจเร า, ากลับไปที่บ้านบอกลังคาบ้านหายไปหมดแล้วพระเอาไปทำเป็นกุฏิที่บ้าน อไปทำกุฏิที่วัดตามไปถึงวัดเหมือนกันมี้ตามไปไม่ใช่ไปตามไปนะเอาเรื่องเอาเล่าเลไม่รู้พราหลอกนี่ไงอจะมาทําความคุ้นเคยเหมือนพระเจ้าทําความคุ้นเคยกับคติกาลาก็แลยกุิก็เลยงานกุฏิงัดหลังคายอมมาทํากุฏิลังคากุฏิหมดแล้วยมกอดตายเลยไม่มองหน้ากันเลยนะ ตรงนี้ท่านกิจารณาทุกเวทนาจากขูดสัมปัสชาเวทนาโสตสัมปัสชาเวทนาขานาสัมปัสชาเวทนาชิวหาสัมปัสสชาเวทนากายสัมปัสสชาเวทนาแล้วก็มโนสัมปัสสชาเวทนาพิจารณาเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไม่พิจารณาเห็นด้วยความเป็นของเที่ยงพิจารณาเห็นด้วยความเป็นทุกข์ไม่พิจารณาเห็นด้วยความเป็นสุขพิจารณาเห็นด้วยความเป็นหน้าตาไม่ได้พิจารณาเห็นด้วยความเป็นอัตตา ย่อมเบื่อนหนายไม่ยินดีย่อมคลายกำหนัดไม่กำหนัดพิจรารณาเห็นโดยความดับไม่ใช่ให้เกิดพิจรารณาโดยความสระคืนไม่ใช่ถือมัน่นเมื่อพิจรารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง ก, ก็จะละนิจจาสัญญาได้ถ้าพิจรารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ก็จะละสุขาสัญญาได้พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตก็ละอัตตาสัญญาได้เมื่อเบื่อนายก็จะละความยินดีได้เมื่อคลายกำหนัดก็จะละความกำหนัดได้ เมื่อดับจะรัศมูดไทยคือเหตุเกิดเป็นต้นได้เมื่อสละคืนก็จะรัความยึดมั่นถือมันเป็นต้นได้พิสูจน์เป็นนนาเห็นเวท น, นาด้วยอาการเจ็บอย่างเนี้ยเวทนาปรากฏไม่ใช่สติเห็นไหมเวทนาเหล่านี้เป็นปัฐานหมดเลยเป็นที่ตั้งของการวิจัยหมดเลยนะโนสติเนี่ยนะคือไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวสติด้วยท่านวิจัยสติด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่วิจัยสตินะอย่างนี้เป็นต้นเลยเนี่ยนะสติกับ ก็ปรากฏเพศวิพิจารณาเห็นเวทนานั้นด้วยด้วยสติด้วยญาณะนั่นนะตายาสติยาเตนายานีนตังเวทนังอนุปัสสติยตรงเนี้ยขาบอกว่าสติและปัญญาต้องไปด้วยกันถึงจะเรียกว่าเป็นสติที่มีกําลังเป็นสติปฐานถ้าสติปราศจากปัญญาก็เรียกสตินั้นทุรพลสามกาลังมมีกําลังแลอกเหมือนอามารที่ไปไหนแล้วมันมีราชกุมารไปด้วย ไม่มี้ไม่รู้จะสั่งการยังไงจะแข็งแรงใช่ไหมถ้าโอ้โหคำสั่งนี้ไม่ได้เนะียอามาดี้อยู่กับราชกุมารด้วยอยู่กับพระราชาเปต้นด้วยโอ้โหอาจนีเหมือนสติราชกุมารเหมือนปัญญาอันนี้สตินะี่เราอยู่กับปัญญาสตินะั้นจึงเป็นสติที่มีกําลังภาวนาทำทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ร่วงกันและการภาวนาอินทรีย์ทั้งหลายมีกิบอย่างเดียวกันในการละกิเลสเป็นต้นนังที่กล่าวเนาะเป็นเครื่องนําไปซึ่งความเพียรนั้นสมควรแก่ความ ที่ทมทั้งหลายไม่ร่วงกันและการอินทรีย์ก็มีกิตเป็นอันเดียวกัรภาวนาด้วยเป็นธรรมที่เสพเป็นอาศวนะพิสูพิจารณาในเวทนาทั้งหลายอยู่อย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเขาเอาจากักกูสัมปัสชาเวทนามาพิจารณารู้จักคำว่าจากักกูสัมปัสชาเวทนาไหมโยมมงคนรู้จักไหมอ่ะอยังไงแค่ตาแค่นั้นจบเลยอาศัยตาอาศัยสี อาศัยจักขูวิญญาณประชุมการเป็นภ菩萨ใช่ไหม菩萨นี่แหละเกิดขึ้นมาก็เลยเป็นปัจจัยให้กับเวทนาเกิดเวทนาที่อาศัยทางทวารตาเป็นไปเนะี่ยเขาเรียกว่าจักขูส่สัมผัสสชาเวทนาบางทีเป็นทุกข์ได้ไหมอมองดอกไม้ยอมเป็นสุขเวทนาได้ไหมเนี่ยเขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกจักขูส่สัมผัสสชาสุขเวทนามองพบเป็นทุกข์ได้ไหมเป็นทุกขเวทนาได้ไหมมองแล้วไม่ชอบได้ไหม อันนี้เป็นจักขู่สมผัสชาทุกเวทนามองแล้วเฉยๆได้ไหมพ่อมองทุกวันเป็นจักขู่สมผัสชาอทุกขมสุขเวทนาเห็นไหมมองทางตะวันตายอย่างเดียวได้เวทนาสามสุขก็ได้ทุกก็ได้เวขาก็ได้นี่เขาเรียกจักขู่สมผัสชาเวทนาได้ยินเสียงเนี่ยสุขเวทนาเกอดได้ไหมทุก็ได้ไหมอุเบกขาก็ได้ใช่ไหมอาดมกลิ่นได้เวทนาสามไหมกินอาหารเมื่อกี้ได้เวทนาสามไหม ตอนกินเป็นสุขเวทนาใช่ไหมก่อนหน้าที่ไม่ได้กินเป็นทุกเวทนาใช่ไหมพอกินเบ็ดเสร็จแล้วเป็นอุเวขาวเวทนาใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมแม้ทางทวารลิ้นก็ได้เวทนาสามทางทวารกายก็ได้เวทนาสามเสื้อ ต, ตัวนี้ตอนซื้อมใหม่ๆแล้วใส่เป็นยังไงสุขเวทนาใช่ไห ม, ไมพอเกิดบางทีมันระคายเคืองขึ้นมาบางครั้งก็เป็นทุกเวทนาใส่ไป น, นานๆสีมันเสื่อแล้วเป็น เวทนาเนี่ยเป็นอย่างนี้ทางใจก็ได้เวทนาสามสรุปแล้วเวทนาเป็นไปในทวารหกทางทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจนี่ท่านให้อามาวิจัยไหมเอามาวิจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปวิจัยโดยความเป็นของที่ยงลองคิดดูถ้าเราเวทนาเหล่านี้มานั่งวิจัยเนี่ยปุตต น, นี่รอบรู้ไปนานแล้วใช่ไหมกลับไปนั่งคิดเวทนาใหม่ เราไม่ค่อยคิดเวทนาทั้งๆมีเรื่องให้คิดเยอะมโอ้ยกลัวที่สุดกลัวความคิดทุกวันเนี่ยถามว่าถ้าไม่คิดเรียนจบไหมทั้งโลกอ่ะไม่จบหรอกแล้วทําทําไปห้ามคิดเนี่ยบอดเลยอะคนที่ห้ามคิดเนี่ยบอดเลยนะแล้วจะทํายังไงถ้าห้ามคิดเนี่ยก็คือห้ามไม่มีความรู้สึกอะจิตไม่ต้องคิดตลอดไหมไม่คิดตลอดเมื่อห้ามไม่ให้คิดเนี้ยปื้นความรู้สึกไหม ฝืนความรู้สึกฝืนความเป็นจริงฝืนฝืนสภาวะความเป็นจริงไปห้ามคิดในยุ่งเลยไม่ก็ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาเหมืนอนกันนะความคิดเนี่ยเพียงแต่ว่าเราจะคิดบุญและคิดบาปอย่างนะี้สอนเกันแค่ตรงเนี้นะ ค, คือบางทีในะการใช้ศัพท์ในการที่จะมานั่นกันพยัญชนะมันก็ผิดอักก็ใช้ไม่ได้อักถาก็ใช้ไม่ได้ คำสอนพระเจ้าจะถึงพร้อมทั้งอัตถาและปยยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงวันก่อนก็มีคนมาคุยกับธรรมะตอนนี้ก็มีอยู่ท่านหนึ่งเขก็บอกว่าแม่อยากอยากคุยด้วยแต่าบอกอยากคุยเนี่ยแปลว่าเขาจะต้องการมาถามว่าเอ๊ะทําไมบรรยายแบบนี้เราก็บอกโอ้ก็ธรรมะก็เอ้าบรรยายไปตามเนี่ยที่เขบอกว่า ถ้าเราจะมาบัญญัติสักคำหนึ่งเนี่ยเพื่อมาใช้เป็นหลักปฏิบัติเนี่ยจะได้ไหมเช่นจะบัญญัติคําใดคําหนึ่งที่ไม่มีในคําสอนเนี่ยพระไตรปิฎกกัจจักฐาได้ดีกาบัญญัติตามาใช้ได้ไหย ม, มากรฟังอ้าวคุณอธิบายไปอธิบายไปเรื่ยมาก็ย้อนถามบอข้าคุณเพระบรมศ า, าสดาตรัสรู้นุตตาสัมมาสัมพธิยานสแสดงธรรมเป็นอเนกาปริยาเยนะใช่ไหด้วยนิปริยาใช่ไหม ถามว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์มีสมบูรณ์ทั้งอัตถาและพยัญชนะพระพุทธเจ้าแสดงไว้แบบนี้จริงไหมมันจริงแสดงว่าพยัญชนะที่พระองค์ทรงใช้ที่ว่าพระองค์สมบูรณ์ทั้งอัตถและทั้งพยัญชนะไม่พอใช่ไหมมันไม่เพียงพอใช่ไหมคุณต้องมาประหยัดใหม่หรือมันไม่มันไม่เหมาะแก่การนี้ใช่ไหมแสดงว่าสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าที่มียนาคะตังสยานี่คุณไม่เชื่อใช่ไหมว่าที่พระองค์วอนหยัดไว้แล้วเพื่อให้ใช้แค่นี้ มันไม่พอหรือไงหรือมันน้อยไปหรือไงใช่ไหมมันไม่ใช่ไปไปห้ามการบัญญัติศัพท์ใหม่นะแต่ว่ามันไม่พอใช่ไหมหรือมันไม่ดีพอใช่ไหมที่วติยาบัญญัติเนี่ยพอโดีน ะ, ะถ้าดีทำไมไม่ใช้ของพระองค์ไปก็ใช้ของพระองค์ไปสิรอท่านเป็นพระพุทธเจ้าก่อนท่านค่อยบัญญัติใช้ท่านจะบัญญัติสท์ไหนก็ได้แต่นี้มันการของท่านอยู่ใช้ของท่านไปนดีไหม แต่เองอย่างนี้ดีไหมครับผมก็บอกยัเดี๋วกลับไปคิดดูก่อนเก็ไม่ได้ไปคานใช่ไหมก็เลยเสนอไปดีไหมครับีเพราะจริงจริงรัพท์ที่ยังไม่ได้เอามาใช้อีกเยอะเลยที่พระเจ้าสมบูรณ์ทั้งอัฏฐาและปัญชนะเนี่ยพระเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบนะฉะนั้นคําสอนพระเจ้าเนี่ยบริบูรณ์ทั้งอัฏฐานและปัญชนะแล้วใช่ไหมแสดงว่าไม่ต้องเติมไม่ต้องเพิ่มแล้วใช่ไหมถ้าเรามาเพิ่มนี่แสดงว่าไม่บริบูรณ์ แมบอกว่าปวแค่นี้ก็พอแล้ววผมละอายใจแล้วกันที่เขาลาบางทีเราเราท่องเที่ยวในคําสอนครูพิธีมน้อยไปนะน้อยหรือบางทีเราก็ไม่มีคําสอนของครูอาจารย์ตัวเด่นที่เขารบนละถือมาก่อนนะมาขวางมือเทียบก็เลยไม่กล้าออกมาประเพศี้คนไทยก็จเป็นแบบนี้เคารพอาจารย์บ้างกนะ็ไม่ว่ากันใครเดินออกได้ก็เป็นบุญ อ่ะต่อนะตรงนี้พอจะเข้าใจนะเอาไปวิจัยยังไงถ้าวิจัยไม่ได้กลับมาถามกันใ ห, หม่ตรงนี้นะดีไหมหรือจะให้ว่าตรงไหนต่อก็ว่าถ้าไม่น่นก็ได้เดินต่อไปเดีวเวลาอีชั่วโมงหนึ่งเพราะเดี๋ยวจะต้องหยุดแล้วทิดนะเหีือเวลาชั่วโมงเพราะเดี๋ยวเนี่ยต่อนี่ไม่มีอะไรหน้าสามเนีสองสามนี่นะต่อไปก็อุทยะมานกท่านใช้คําว่าอุทยะมานะว่ากะปัญหานิเทศ อันนี้อยู่ในเอปัญหาในนิเทศในจูราณิเทศนะนะเขาท่านบอกเล่มไว้ด้วยตรงเนี้หกสิบเจ็ดข้อที่สี่ร้อยหกสิบสองจนถึงนั่นแหะหกสิบสี่กากาหน้าที่สามสองอันนี้ไม่ตรงนะนะไอ้ตรงนี้เป็นฉบับเข้ามามืองกุฎปัจจุบันนี้ถ้าเป็นฉบับใหม่ก็ข้อไอ้หน้านี้จะไม่ตรงแต่ข้ออาจจะตรงนะตรงนี้ก็ให้รู้ดังนั้นอันนี้เป็นฉบับเก่านะ ก็ใครมีฉบับเก่าอยู่ก็ดูฉบับเก่าไปถ้าไม่มีก็ฟังตรงนี้ไปก่อนก็ไ <c> ด <oughs> ้การศึกษาคําสอนในดีตรงนี้อุทยามานพทูลถามพระบระมา ศ, าศาสดาเมื่อโลกมีสติอย่างไรที่เอาไปวิญญาณยิงดับมีถามถามมีคําถามนีม้เป็นถามแปลกนะเนี่ยเมื่อโลกมีสติอย่างไรที่เอาไปเนี่ยวิญญาณยิงดับโลกในที่นั้นเป็นชื่อของอะไรเอ้เป็นชื่อของรูปอาการเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณนัขันเป็นชื่อของกายกับใจ อ้วเราเรามีโลกกันอยู่ไหมเนี่ยคนละกี่โลกหนึ่งโลกนะโรค ก, กาดตอนนี้ก็เพิ่ออาจจะว่าแตกสลายดับวิบัติได้ทั้งนั้นเ่ะนะนะคําว่าโลกนี่ไม่ดีเลยดีไหมมีขันทัน้งโรคไม่ดีมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิยาณเนี่ยไม่เหมือนคือพระพุทธเจ้าเรียกว่าโลค ก, กาดเนี่ยมาจากคาว่าวิบัติก็ได้ ทางพินาศก็ได้มีความแตกไปเป็นธรรมดามีความพินาศไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดาเนี่ยโลกะเป็นอย่างเนี้ยเรามีโลกเกิดกกขึ้นนะโลกคือขันนิอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นไปเพื่อความแตกดับมันเป็นไปเพื่อความวิบัตมิมันเอยมันมันมกระตรันอยไหมขันไม่กระตันอยู่เราบอกอย่าเพิ่แตกดับเลยมันเชื่อฟังไหม ไม่เชื่อฟังเลยใช่ไหมแต่ก่อนตาเป็นแบบนี้ไม่ต้องใส่แว่นไนหะมไม่ใสเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นยังไงลองไปเดนรูปสมัยเมื่อสามสิบปีนี่ไหพวกข้าพระองค์มาแล้วเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอฟังพระดำรับนั้นของพระองค์พระบรมศาสดาก็ตรัสว่าเมื่อโลกไม่เพิดเพืนเวทนาภายในและภายนอกเมื่อโลกไม่เพิดเพลินเวทนาภายในและภายนอก ถ้าเพลิดเพลินเวทนาภายในแปลว่ายินดีพอใจในเวทนาของตอนเองชอบใจเวทนาของตอนเองยึดติดในเวทนาของตอนเองลุ่มหลงในเวทนาของตอนเองถ้าล่มหลงเวทนาแปลว่าล่มหลงรูปขันสัญญาสังขารวิญญาณไปด้วยแต่ยกเวทนาขึ้นมาเป็นประธานขันอื่นไม่ได้กล่าวชื่อว่ากล่าวเยอะแล้วลักษณะหาระต้องเป็นอย่างนั้นเพราะคําว่าเวทนาเนี่ยเป็นการยกเวทนาขึ้นเป็นประธานนะโยมนะ แปลว่าพระองค์สอนหมดสอนหมดฉะนั้นเวลาศึกษาคําสอนพุทเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าบางทีท่านสอนย่อเพราะพระองค์สอนขยายไปแล้วนี่เป็นหนี้เราเวลาไปศึกษาคําสอนพอย่อก็ได้แค่ย่อขยายไม่ออกนี่ขยายไม่ออกใช่ไหมนี่นะทําไมต้องศึกษาคําสอนยอมสุภันโหนงเวลาไปเจอพระพุทธเจ้าในอนาคตเวลาพุทธเจ้าตรัสบอกว่า สีเลปฏิทถาญาณโรสปัญโยจิตตังปัญญจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิคูโสรีมังวิชั ต, ตยเยชะัตนติพูดแค่นี้นะยอมสุพันหงฟังปุ๊บจกพตัตรไตรพิฎกเลยจริงเป็นอย่างนั้นเลยนี่ไงคนที่เขาสามารถฟังย่อแล้วก็ขยายได้แต่เรายังไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยพูดแค่นี้จกพตัตรไตรพิฎกเล้นี่เป็นอย่างนี้ เพราะอะไรเพราะอัธยาศัยที่เขาสั่งสมมาเนี่ยเขาฟังแบบเนี้ยฟังอย่าเราอย่าคิดว่าโอ้ยฟังไม่ได้อะไรนะ่นี่ยอมบางคนแต่ยกเว้นห้ามหลับฟังแค่นั้นแหละไอ้ที่หลับฟังเนี่ยไม่ได้จริงจริงอะไนช่วไม่ได้ถึงเราฟังเราจะไม่รู้เรื่องนะแต่เชื่อว่าเราฟังไว้แล้วฟังไปเธอบางคนจะฟังเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องคระก็ฟังใช่ไหม สมัยก่อนเนี่ยมาที่ก็ฟังนั่งเพาะดีอ่ะเหมือนโบราณเลยนะแต่เล่นคาราวา น, นฟังอุ้ยเพาะดีจังก็ถามไปแล้ว่าอะไรมาไม่รู้หรอกแล้วฟังมันเพ้อถึงไหมทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้เรื่องอยังฟังน่ะหรือบางทีบางคนเนี่ยรู้เรื่องบางไม่รู้เรื่องบางเนี่ยก็ฟังดูที่เนี่ยแล้วเพลงบางเพลงเนี่ยแล้วไม่เข้าใาไม่เนื้อความหรอกก็มีเนื้อความอยู่ประมาณสองําคำแค่นั้นเองแต่เขาก็ฟัง เอออย่างนั้น่ทนฟังกันได้แปลกไหมและที่แปลกที่สุดก็คือเรื่องโกหกไปทนฟังกันเนะบางคนบางคนไปนั่งร้องไห้หน้าจอทีวีทั้งลูกทั้งหลานบางทีทั้งยายทั้งหลานเกาะกันร้องไห้อยู่ถามนะสงสารพระเอกมันเรียบร้อยอยู่แค่นั้น่ะชีวิตใช่ไหมเมืม่อวานมายังคุยกันยมคนเรายัางพร้อมที่จะพร้อมที่จะให้เขาาหลอกยิงนะทั้งที่เรื่องไ ม, ม่จริง ที่ที่ไปดูลิเกเอะมาไม่ใช่คือเครื่งที่เดินเดินออกมาเขาบอกโอ้โหลิเกตัวนี้เดินสวยจังเนาะเอามาผมยอมมองนี้ยอมหยุดเลวลาจะพูดอะไรเนี่ยถ้ายอมเดินแบบลิเกเนี่ยเอามาเดินอย่างเงี้ยอมยงมว่ามันจะเป็นยงไงไยอ ม, ม่าสวยไหมถ้าเดินแบบนั้นอลองลองใครลุกขึ้นเดินให้ดูสวยไหมแล้วยอมไปทนดูตอนนั้นทำไมว่าดูมันดูสวยอย่าง แล้วเชื่อไหมไอ้ไอโต๊ะสี่เหลี่ยมเล็กๆพอเขาบอกว่าเป็นวังเราก็เชื่อใช่ไหมกวนไปก็วนมาอยู่ตรงนั้นวนไปก็วนมานน <c oughs> แปลกนะคนสามารถไปดูแล้วให้เป็ น, เ, ปนเรื่องเป็นราวได้เลยๆๆนั่งดูสินเพรสเจอร์เลย <c oughs> เพรสเจอนะทั้งมุสาวาต <c oughs> ปีสุนาวาจาพาุทสวาจาสัมผภป ร, ราปะจะมีเต็มไปหมดเลยพุชริดเกิดตลอดนะ ผู้น่ากลัวกรรมกรรมที่ทําทั้งผู้ผู้ผู้ดูผู้ฟังทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งผู้แสดงทั้งผู้ดูก็พระพุทธเจ้าบอกว่ามีเออมีนักแสดงใช่ไหมมีนักแสดงไปถามพระพุทธเจ้าแต่ถามบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าไปเจ้าแสดงดนตรีมาทั้งชมพูทวีปทําให้คนคลายทุกข์ คือแกเป็นคณะเป็นวงใหญ่มากมีเฉพาะนัดเต้นเนี่ยห้าร้อยเป็นวงใหญ่มากในชมพูทวีปเนี่ยแกก็ไปถามว่าคติของแกจะไปไหนเพราะแกถูกสอนมาว่าจะไปสวรรค์ไงพระเจ้าก็ห้ามไม่ให้ถามทีนี้แกก็ยืนยันขอให้ตอบเออพระเจ้าก็บอกก็อย่าถามเลยเนี่ยในส่วนยิ่งก็ไปถามพรเจ้าก็บอกว่า คนที่ปกติเนี่ยคนก็มีความโลภอยู่แล้วแต่การกระทําของเธอไม่ได้ไปลดความโลภเขาไปเพิ่มปกติคนก็มีความโกรธอยู่แล้วแต่การกระทำของพวกเธอไม่ใด่ไปลดความโกรธไปเพิ่มปกติคนก็มีความหลงอยู่แล้วคนการกระทำของเธอไม่ใด่ไปลดความหลงไปเพิ่มกรรมอย่างเนี้ยมันจะมีนรกขุมหนึ่งโดยเฉพาะเลยคือมีคติสองอะแปรตกัอสัตว์เดรัจฉานกับสัตว์นรกมีคติแค่เนี้ย แล้วก็ดูได้กับกรรมที่ทํานั้นก็จะมีคติสองยกเว้นแต่การแสดงเพื่อเป็นตัจใจเป็นตัวอย่างให้คนเลิกทําชั่วเนะ่อันนั้นเป็นสิ่งดีน้องไม่ทําดีหรือว่าบูชาเนี้ยราเพื่อบูชาพระเจ้าร้องเพื่อบูชาพระเจ้ า, จาถวายเป็นเพื่อบูชาหรืออะไรต่างอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ทําเพื่อทําให้คนหลวงมัวเมาลุ่มหลงไปร้องเป็นวิทวิทวิทยิ่งไปใหญ่ในคําสอนเป็นอย่างนี้ แล้วเป็นงั้นจริงไหมอ่ะทําให้คนมัวเมาไหมอ่ะลืมหลงจริงไหมตรงนี้ท่านบอกว่าโลกเนี่ยนะโลกไม่เพิดเพลินเวทนาภายในและภายนอกเป็นผู้มีสติอย่างนี้เที่ยวไปวิญญาณยิงดับตรงนี้ภาษาลิบุตรนะก็ได้ขยายนิเทศนิเทศในที่นั้นภาษาลิบุตร ข, ขยายความนิเทศเน่นะนะท่านภาษาริบุตรขยายอะไรขยายพุทธพจน์ตันนี้ภาษาลิบุตรขยายเองไม่ธรรมดานะปัญญาภาษาริบุตรเนี่ย ถ้าอย่างเราได้ยินคําว่าโลกเนี่ยนะเมื่อโลกไม่เพิดเพลินเวทนาภายในและภายนอกเป็นผู้มีสติอย่างนี้เที่ยวไปวิญญาณก็ดับฟันก็ดีเราจบเลยนะกลับไปบ้านก็ไปนั่งงงอยู่ใ น, นเลยใช่ไหมเนี่ยดีนะแต่ภาษารีบุตรมาช่วยขยายเมื่อโลกพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาในภายในอยู่เมื่อโลกก็หมายความเมื่อบุคคล น, นั้นนะ่ะบุคคล น, นั้นนะ่ะยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อเออโยมสุพรรณหงเนี่ยพิจารณาเห็นเวทนา ในเวทนาทั้งหลายเวทนามีหลายเวทนาไหมเวทนาทางตาก็มีทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็มีสุขเวทนาก็มีทุกขเวทนาก็มีแล้วอุเบกขาเวทนาก็มีใช่ไหม <Okay. S 1> เมื่อพิจารณาเวทนาทั้งหลายที่กำลังเกิดที่เกิดขึ้นนนะในภายในก็แบบที่เกิดขึ้นในตัวเราอะในขันของเราเนี่ยเราอยู่ไม่เพลิดเพิน ไม่เพลิดเพลินสุขเวทนาไม่เพลิดเพลินในทุกเวทนาไม่เพลิดเพลินในทุกกรมสุขเวทนาไม่พร่ำถึงไม่เอาอะไรอวรณ์เนี่ยบางคนเคยเอาวอรณ์ใน เ, เวทนาที่ผ่านมาแล้วโอ้เสียดายเหลือเกินแม่ไปกินอาหารตรงนั้นเสียดายเหลือเกินใช่ไหมเป็นต้นหรือหรืออะไรยอาวรถึงเป็นต้นไม่ตั้งอยู่ด้วยความติดใจในเวทนาไม่ติดใจอ่ะ ไม่ยึดติดด้วยตัณหาไม่สําคัญผิดใดมานะไม่เห็นผิดด้วยทิฏฐิย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทําให้สิ้นสุดไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความเพลิดเพลินความพร่าถึงความติดใจความยึดถือความจับต้องและก็ความถือมัน่นด้วยตัณหามานะทิฏฐิเป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เพลิดเพลินไม่พร่าถึงถ้าวิจัยไปอย่างนี้เรื่อยๆนะใครควรไปอย่างนี้เรื่อยๆนะ มนัสการไปอย่างนี้เรื่อยๆเป็นผู้มีสติท่องเที่ยวไปในเวทนาเหล่านี้เรื่อยๆนะที่สุดจริงๆดับวิญญาณได้ดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้และก็จะไม่น้อมไปหาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในภพต่อไปจะดับได้ท้าววและจะเย็นในภพนี้ได้นี่แหละปฏิบัตินี่อาการปฏิบตับบติในาศาสนาก็ปฏิบัติแบบนี้ หลับตาได้ไม่ได้ลืมตาได้ไม่ได้แต่การหลีกเล่นดีไม่ดีหลีกเล่นจะดีกว่าไม่หลีกเล่นการหมกมุ่นอยู่ในสังคมต่างๆการพิจารณาด้านไม่ค่อยไม่ค่อยติดต่ออีกอย่างนึ้งก็คือกายต้องหลีกเล่นออกมาด้วยจิตก็หลีกเล่นออกมาด้วยจากวัตถุกรรมแต่กิเลสกรรมแล้วก็มาวิจัย ให้เป็นงานหลักในการวิจัยพิจารณาในที่จริงละได้ถางถอนได้คลายกําหนัดได้ไม่ยินดีไม่เพลิดเพินนด้ถ้ามันมีหลักในการวิจัยได้จริงๆเนี่ยเห็นไหมมองเห็นยังไหมถ้าอย่างเงี้ยถ้าเห็นในลักษณะนี้คิดว่าจริงๆการบานทุกมีไก่ไหมฮะแต่ที่เราไม่กล้าทํำนั่นและการแนะนําในลักษณะอย่างนี้ไม่ค่อยแพร่หลายใช่ไหม ไม่ใค่สอนกันแบบวิจัยกันเป็นร่ําเป็นสันใช่ไหมไม่เคยไม่สอนกันางี้ยจริงๆงานในคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นงานกานวิจัยการพิจารณาเอาพนจะจบด็อกเตอร์ต้องวิจัยเยอะไหมต้องทําต้องทําวิทยานิพนธ์ไหมต้องทําเป็นตั้งๆเลยไหมโอ้โหบางคนวิจัยจนสมองโป่งแต่ในทางว่าทำมาในคําสอนไม่ใช่อย่างนั้นวิจัยด้วยกุศลไม่วิจัยด้วยความเพียรใช่วิจัยที่เป็นกุศลในจิตต้องเป็นกุศลนะ เมื่อรอบพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายนอกอสิถามว่าเมื่อสักครู่บอกท่านสอนอะไรท่านสอนพิจารณาเวทนาในภายในใช่ไหมต่อไปก็บอกให้พิจารณาเห็นเวทนาภายนอกภายนอกยังไงไม่เพลิดเพลินในเวทนาภายนอกคือเวทนาของบุคคลอื่นเน่ะอในเวทนาของบุคคลอื่นในขันของบุคคลอื่นน่ ไม่เพิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ตั้งอยู่ด้วยความติดใจคือไม่ติดใจด้วยตัณหาไม่สำคัญผิดได้มานะไม่เห็นผิดด้วยมิจฉาทิฏฐิละบันเทาทำใิส้สิ้นสุดไปถึงความไม่มีซึ่งความเพลิดเพลินความพร่ำถึงความติดใจความยึดถือแล้วก็ความจับต้องความถือมั่นในเวทนาภายนอกเวทนาภายนอกของว่าอะไรล่ะวัตถุชิ้นไหน ที่มันจะเป็นปัจจัยทําให้เราเกิดเวทนาในในขันของแท้เราคิดดูว่าบางทีเนี่ยนะอย่างเราเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างโยงมมงค์เนี่ยอยากจะได้เวทนาของเทวดาไหมอยากจะได้ไหมถ้าได้เวทนาของมนุษย์อย่างนี้เป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าตายไปอยากจะได้เวทนาของเวทนาของเทวดาไหมเนี่ยก็เรียกอะรอายวรนร่ำถึง บางคนก็อยากได้เวทนาของโพรมนุ่นเขาเอาลูกปรพรมนุ่นอย่างเงี้ยหรือบางทีเราก็ไปเพื่อเพลินยินดีกับขันของบุคคลอื่นน่าก็ยินดีเวทนาของบุคคลอื่นเห็นเขามีความสุขโอ้โหชื่นใจเมื่อไหรเราจะสุขอย่างเขาเห็นเขาได้เงินได้ทองเมื่อไหรเราจะได้เงินได้ทองอย่างเขาถามว่าชีวิตของเราเราเพื่อเพลินในเวณณทนาภายนอกมาเยอะไหมเยอะเลยใช่ไหม เราเห็นก็มีรถเขาบอกโอยมีรถเขาคงมีความสุขแล้วก็อยากจะได้รถมีบ้านแล้วเขามีบ้านคงคงมีความสุขก็อยากจะได้บ้านแล้วเขามีที่ดินแล้วถ้ามีที่ดินคงจะได้ความสุขแล้วก็อยากได้มีที่ดินเห็นไหมโอ้ยเามีเงินฝากธนาคารเยอะแยะหมดเราก็อยากจะได้เงินอย่างนี้เป็นต้นเห็นไห ม, ม De, นี่เรียกยินดีเพลิดเพลินติดใจยอมสยบในเวทนาภายนนอหนี่ทนกัน์ไม่วิจัยเวทนาในภายนอก นั่นแหลเราวิจัยอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยยิง่งเห็นชัดไหมแล้วในชีวิตที่ผ่านมาเรายินดีเพื่อเพื่อเวทนาภายนอกจริงๆหรือไม่เราไม่เคยวิจัยเลยใช่ไหมว่าเวทนาภายนอกเป็นโทษยังไงเป็นที่ตั้งของตัณหาอย่างไงเป็นที่ตั้งของมานะและทิฏฐิอย่างไงเป็นที่ตั้ ง, งากรา ร, ราก่อกิเลสบาปอกุศลแธรรมราโมกเกิดขึ้นจากการพิจรารณาเวทนาภายนอกมาอย่างยาวนานกรรมมากมายหมดเลย น่ากลัวมากเลยนะ่ที่เราที่ผ่านๆมาเนี่ยชีวิตเราต้องต่อสู้ดิ่นลนกันมากระเสือกกระถนมาเนี่ยเพราะเรายินดีเราเพลิดเพลินทั้งเวทนาภายในและเวทนาภายนอกโทษของการไม่รอบรู้เวทนาภายในและภายนอกเอาอย่างเห็นคนเขากำลังต่อสู้กันอยู่เนี่ยใช่ไหมติดล้องไหมติดข้องเวทนาภายนอกเลยใช่ไหม แล้ปรารถนาให้อีกายฝ่ายหนึ่งได้ททเคเวทนาปรารถนาอีกฝ่ายหนึ่งให้ใหได้โทเคเวทนาอย่างนี้แปลว่าอะไรติดล้องในเวทนาไหมยินดีเพลิดเพลินเวท น, น, น, นาไหมยึดติดในเวทนาไหมออกจากเวทนาไม่ได้ใช่ไหมเห็นไมไหมเวทนาภายนอกนอที่อิทธิพลจริงๆไหมมีไม่มีนั่นแหละโอดของการไม่มีสติและปัญญาในการที่ไปตามนี่แหละเมื่อโลกไ ม, ไม่เพลิดเพลิน ถ้าไม่เพื่อเพลินเสียนเนี่ยอันนี้หลักปฏิบัติคือไม่เพื่อเพลินไม่เพื่อเพลินสับนั้นคือไม่พร่ำถึงให้สังเกตดูนะไม่เพื่อเพลินไม่พร่ำถึงไม่ตั้งอยู่ด้วยความติดใจศัพท์นี้เป็นพยัญชนะต่างแต่อัตถาอันเดียวกันความหมายอันเดียวกันน่ะที่ท่านภาษาริบุตรท่านต้องการให้เข้าใจว่าคุณไปติดข้องในเวทนาภายใน คุณไปติดข้องในเวทนาภายนอกคุณไม่ยอมละเวทนาภายในไม่ยอมละเวทนาภายนอกท่านขอสอนบอกว่าไม่ให้เพิดเพลินด้วยตัณหามาณทิติอย่าไปลำพึงถึงด้วยตัณหามาณทิติแต่ให้รอบรู้ด้วยสติและสัมปชัญญะที่แข็งแรงอย่างนี้ปฏิบัติยากไหมไม่ยากหรือแต่เมื่ อ, อไรจะลงมือใครควรพิจารณาเท่านั้นนะนะ เมื่อโลกพิจารณาเห็นเวทนาทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกอยู่นี้ท่านกล่าวถึงความช่ำชองกล่าวถึงความชํานาญกล่าวถึงความแคล่วคล่องแล้วเมื่อโลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในเวทนาในเวทนาทั้งหลายในภายในอยู่เห็นธรรมคือความเกิดขึ้นนั้นก็เห็นอะไรเห็นอวิชชาเกิดเวทนาเกิดเห็นปัญหาเกิดเวทนาก็เกิดเห็นกรรมเกิดเวทนาก็เกิดเห็นผัสสะเกิดเวทนาเกิด เห็นเวทนาที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งนั่นแหละเวทนาเกิดต้องคิดดูเวทนานี่เกิดจากปัจจัยไหมเกิดจากปัจจัยเนาะตอนนี้เวทนาอะไรเกิดฮะตอนนี้เวทนาอะไรเกิดพอฟังอย่างนี้แล้วทุกขเวทนาเกิดไหมพอฟังแล้วทุกขเวทนาเกิดไหมโยมโทมานะเกิดไหมเกิดยังไงพอฟังนี้มีความหวังไหมไม่มีความหวังไหมพอฟังนี้เรามีความหวังขึ้นไหมหรือหมดหวัง มันมีหวังกับหมดหวังนะมีหวังไหมว่าเราจะต้องออกจากเวทนะ